พวกเราพอฟังเราเพี้ยนไปหมดเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดธรรมะนะหรือก็เพ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดมาเยอะแยะพูดแบบเทกระเป๋าให้ทุกวันะฟังไปฟังไปเอาไปสอนต่อได้นะไปตั้งสํานักสอนได้เลยสอนเหมือนหลวงพ่อประโมทเปียบเนะลเราไปดูดูไปดูไปมันเหมือนตรงไหนวะบางคนก็ไปอยู่ในความว่างคนก็ไปพยายามเพ่งกดไม่ให้จิตคิดนะบางคนไม่ยอมรับรู้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 นันต้องแยกให้ออกนะว่าสมมุติกับปรมัสต์นี่ถ้าหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นพระสมมุติเราสมมติเนีงั้เย็นเราก็กินข้าวเย็นได้มันสมมติมีเมียก็ได้นะสมมุตินะไม่ยึดถือมีเมียแบบไม่ยึดถือเราก็ทําได้ใช่ไหมมีเราก็ทิ้งไปราบอกไม่ยึดถือ <c oughs> นะงั้นสมมุตินะมันก็เป็นความจริงโดยสมมุติปรมัสต์ก็เป็นความจริงโดยปรมัสต์เราต้องปฏิบัติต่อสมมตนะิให้ถูกต้องตามที่เขาสมมุติกัน เช่นเจอไฟเขียวก็วิ่งได้เจอไฟแดงให้หยุดนี่โลกเขาสมมติอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เจอไฟเขียวฉันหยุดนะเจอไฟแดงฉันจะไปเพราะฉันไม่ถือสมมุติก็ก็พออยู่ไม่ได้นะอยู่กับโลกไม่ได้งั้นเราภาวนานะไม่ใช่เพี้ยนขนาดนั้นไอ้นูก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีมสมมติทั้งหมดเลยอะไรอะไรก็สมมุตินั่ น, น, นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนี่นาทีกทิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิบางทีภาวนาก็น้อมจิตไปอยู่กับความไม่มี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 ได้ประโยคไม่กี่ประโยคนนี้ได้เป็นเอตัทัคคะในทางบรรลุเร็วที่สุดแต่ก่อนบรรลุเร็วชาติก่อนโน้นบรรลุช้าไม่บรรลุเลยภนะาวนาจนตัวตายไม่บรรลุพอมาฟังธรรมคราวนี้บรรลุเร็วเลยเพราะอินทรีย์แก่รอบแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะฟังเหมือนพาหิยะมีใครบรรลุพระอราหันต์ไหม <laughs> มีแต่หันอย่างนี้เนาะ <laughs> ห, หรือพระอรหันต์ตาหลวพร ะ, กระเกษมท่านบอกพระอรหันตตาตาหันไปหันมานะ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 แต่ว่าอย่าตกใจนะมีครูบาจารย์อยีกองค์ท่านพยากรนไว้องค์นี้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยท่านพยากรนไว้บอก2550ขึ้นเนี่ยจะมีคารวะดได้โสดาเยอะแยะเลยมันอยู่แถวนี้แหละไม่ได้อยู่ไกลหรอกนะใจมันตื่นนีพระพุทธเจ้าสอนภาหียะในการดายแลเมื่อเห็นจากเป็นศักว่าเห็น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 เ, เราอยากไ ด, ได้สิ่งที่เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาตลอดเวลาฉะนนเราพยายามจะหนี camino. ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามหนีความจริงตลอดเวลาต้องค่อยค่ฝึกนะค่อยๆสังเกตรู้กายไปรู้ใจไปจนมันเห็นไตร ล, ลักษณ์ซ้ําแล้วซ้าอีกถึงวันหนึ่งจิตถึงจยอมรับความจรงิงว่ากายนี้ก็เป็นไตร ล, ลักษณ์นะเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา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 อันนี้เกิดขึ้นก็ยินร้ายก็รู้ทันฝึกอย่างนี้แหล ะ, ะได้เจ็ดเดือนวันหนึ่งพายุมานะเปียกฝนใจมีความกังวลว่าเปียกฝนแล้วเดี๋ยวจะป่วยไข้เพราะาใจกังวล น, นะเกิดเกิดไปเห็นความกังวลโดยไม่ได้จงใจแล้วไม่ได้คิดว่าความกังวลจะต้องหายด้วยนะมันเกิดรู้อย่างเป็นกลางนะครั้งแรกในชีวิตเลยที่รู้อย่างเป็นกลางจิตก็ตัดสินความรู้กันตรงนั้นเลยจิตรวมเข้ามาแล้วตัดสินเลย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 เราก็จะคิดอนะ่ะทำยังไงมันคงมีวิธีนะที่ปฏิบัติที่ถูกกว่านี้อีกที่ดีกว่านี้อีกนะเพื่อว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้บรรลุเร็วๆมีคำว่าเราใส่เครื่องหมายคำพูดเราตัวใหญ่ๆนะพิมพ์ตัวหนาๆด้วยเราเนะในใจของเราตลอดเวลาไม่เคยคิดวนะ่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกมีคิดจะทำเห็นไมท่านบอกให้รู้ตามความเป็นจริงท่านไม่ได้บอกให้ทำอะไรไม่ต้องทาอะไรนะ แต่ว่าอะไรเกิดขึ้นสภาวะใดเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเลยรู้ตามความเป็นจริงรู้ไปแรกแรกบางคนเบื่อบางคนถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่รอบนะค่อยๆพัฒนาเป็นสเต็ปสเต็ปไปบางคนเห็นแล้วโอ้หน่าเบื่อจังเลยตัวเราไม่มีหรอกเห็นลงมากายนี้ใจนี้มันไม่มีตัวเราตัวเราเป็นแค่ความคิดเนี่ยหลายคนที่ภาวนากับหลวงพ่อเห็นตรงนี้แล้วนะเห็นแล้วว่าตัวเราเป็นแค่ความคิดตัวเราไม่มีจริงๆหรอก แต่ใจยังไม่ยอมใจยังเสียดายอะไรอาวร อ, อยากให้มีตัวเราอยู่บางคนเสียใจเลยนะเซ็งชีวิตนี้สุดเซ็งแล้วตัวเราหายไปบางคนกลัวมากเลยโอ้ตายถ้าตัวเราหายไปไหนเที่ยววานคลํามหย่ตัวเราอยู่ไหนอยู่ไหน น, น่าสงสารมากเลยะคล้า ย, ายแบกหมาบ้ามาตัวน ะ, ะโยนทิ้งไปแล้วอยู่หมาไปไหนนะของดีของวิเศษซะนี่เที่ยว แ, แบกไว้งั้นยากนะยากกว่าที่ใจจะยอมรับ แต่ว่าบางคนถ้ายินทรียแก่ราบน่ะเห็นคราวแรกกข็าขาดเลยไม่ต้องมา อ, อ, อ้อยสร้อยอ้อยอิงมาเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายแล้วก็ก็มันคลายมันเบื่อหน่ายมานานแล้ว่ะหลายพบหลายชาติแล้วพอมาปิ้งที่เดียวขาดไปเลยก็มีอย่างภาหิยะเขาขาดไปเลยไม่ได้มีบอกเลยนะว่าจิตของภาหิยะนะค่อยๆสเต็ปมาตามโรสรตยานเป็นขั้นขั้นขนัไม่ได้พูดเลยไม่พูดเลยว่าพาหิยะนะเกิดเบื่อหน่ายเกิด อ, อะไรไม่มีเขาเบื่อมาแล้ว เราเบมาแล้วมันสะสมมาแล้วเต็มอิ่มมาแล้วะถูกจุดชนวนทีเดียวระเบิดเปลี่ยงเลยของเราชนวนด้านชนวนเปียกน้ำจุดแปลกแปกแป ก, แปกนะไม่ค่อยจะติดนะแต่ก็ทนทนไปนะอย่าเอาน้ำไปราดมันเพิ่มอะไรเป็นน้ำทั้งกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นน้ำกรามเป็นน้ำเอาไปราดใส่มันเรื่อยๆนะกิเลสไปราดใจเราเข้าอยู่กับกิเลสด้วยใจเราเปียกใจที่เปียกนะไม่พร้อมกับธรรมะ พระพทธเจ้าเคยเทียบไหมบอกบุคคลมีหลายชนิดนะเปรียบเหมือนท่อนไม้บางคนก็เหมือนท่อนไม้ที่สดสดเพิ่งตัดใหม่ๆนะสดๆเลยแช่อยู่ในน้ำจุดไฟไม่ติดหรอกนะบางคนเป็นไม้สดนะแต่อยู่บนบกไม่ได้แช่น้ำนะอันนี้ก็ติดยากหน่อยบางคนเป็นไม้แห้งนะอยู่บนบกด้วยไม่เปียกน้ำด้วยพวกนี้ติดไฟทันทีเลยจิตใจของเราเหมือนกันนะ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 กิเลสมีอยู่จะมีความเพี่ยนนะกิเลสเกิดขึ้นเราใครรู้กิเลสเกิดขึ้นได้รู้มันเหมือนไม้ที่ยังสดอยู่พวกเราใครภ า, าวนาแล้วเคยรู้สึกไหมใจเราเหมือนไม้สดๆยังมียางมีเยื่อมียางอยู่ใครภาวนาจะรู้สึกว่ามันแห้งผากมัง้งนะถ้ามันแห้งผากแล้วนะมันใกล้แล้วแต่อย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะแห้งกันใหญ่ <laughs> <laughs> ดูฟั๊บหนึ่งก็รู้แล้วนะคนไหนมันใกล้ไม่ใกล้แต่อย่าถามนะถ้าถามแล้วจะวิบัติ อย่าพยายามมาถามหลวงพ่อนะว่าเมื่อไหร่จะได้จะใกล้ได้หรื อ, อยังอะไรเงี้ยหรือชาตินี้จะได้ไหมอย่าถามเลยถ้าหลวงพ่อบอกว่าได้จะประมาทนะโอ้เดี๋ยวนอนเล่นไปก่อนไปมีเมียสักห้าคนกันยังไงก็ปรรลุแน่ <c oughs> หรือหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อะ่ะโอกลับไปอยู่กับโลกดีกว่าไหนไนชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติหน้าค่อยปฏิบัติใหม่ย <c oughs> มีแต่เรื่องอัปรีจังไรนะใช้ไม่ได้หรอก <c oughs> อัปรีเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าไม่น่ารัก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 แดีผู้รู้จะได้ของดีในพรนศานี้แหละท่านไม่รู้จักชื่อนะท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้ชายคนนั้นก็ครูบาอาจารย์บอกห้ามสงสัยไม่สงสัยละถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราให้อย่าสงสัยเลยพวกเราจะต่อรองรู้สึกไหมอขอนิดตาคามันคล้องใจมานานลนะ้วะนี่แหละพวกใจไม่ถึงผู้ชายนะั้นครูบาอาจารย์บอกอย่าสงสัยเลยอีกสองวันนะเออภาวนาจิตใจเปลี่ยนไปหมดเลย เห็นไปหมดเลยครูบาอาจารย์ไม่บอกกับคนนี้นะแค่บอกว่าทํามไปเถอะเดี๋ยวจะได้ของดีพอผู้ชายคนนี้ออกจากวัดปุ๊บท่านบอกกับพระอุปถาคที่แวดล้อมท่านบอกว่าผู้ชายคนนี้ได้โสดาอยู่แล้วนะและจะได้สกทาขาในพรรษานี้ท่านบอกงี้ถ้าท่านไปบอกกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นจะเป็นไง <c oughs> อ้ากูเก่งชิบหายเลยถ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ละนะไม่ได้ละ งั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกหรอกภาวนาไปมีหน้าที่ทําเหตุให้สมบูรณ์นะทําเหตุให้สมบูรณ์เรื่องหลวงปู่สิมนเนี่ยเห็นคุณสุเมศแหละเป็นคนมาเล่าเห็นอยู่แป๊บๆอยู่ไหนอ๋ออยู่นนเป็นขุณสุเมศแหะเป็นคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง mm hmm. นี่พวกเราภาวนานะทําเหตุไปเรื่อยผลมันสมควรที่จะเกิดเมื่อไหร่มันก็เกิดเองแหละทําเหตุให้ดีแล้วผลมันมีเอง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 เคยทุกเยอะก็ทุกสั้นๆนะไม่ทุกนานทุกก็ทุกนิดๆหน่อยๆจิตมันเปลี่ยนเห็นไหมแค่มีสติอยู่ก็เริ่มมีความสุขอย่าไปสนใจว่าจะได้อะไรเมื่อไหร่ได้มีสติอยู่ก็บุญนักหนาแล้วได้มีสติอยู่ชีวิตจิตใจเราก็ดีขึ้นนักหนาละเคยทุกเยอะแยะเลยนะอยู่ในครอบครัวมีปัญหามากมายฮัดมีสติชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละพอใจพอใจในปัจจุบันนี้ล้มีสติเป็นขณะขณะไปหน้าพอใจและหน่าสรรเสริญแล้ว พระพุทธเจ้าอย่างสารเสด็จเลยท่านบอกว่าคนมีอายุร้อยปีนะก็ไม่น่าสารเสด็จเลยแต่คนที่มีสติอยู่แม้ราตรีเดียวคืนเดียวก็พึงชมเป็นพราะเรามีสติอยู่นะพระพุทธเจ้าชมเราทุกวันเลยนะอย่านึกว่าท่านสูญไปแล้วนะอย่านึกว่าท่านสูญสับสูญนะสับสูญเป็นมิจฉาทิฐินะแล้วก็มีตัวมีตนอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฐินะนั่นเราพาวนานะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นบุคคลที่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 นิมนต์เลยครับนิมนต์